ยุการพระสงฆ์ังนั้นก็เริ่มเรื่องไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้เชิญไหลเราถึงได้กราบเราถึงได้คารมมอบกายวาจาใจตลอดชีวิตไม่กับพระพุทธเจ้าเราเป็นชาทึกเวลาก็ถามถึงพระพุทธเจ้ามาทึกมาถึงถามถศาสนาว่าทึบศาสนาอะไร เราจะตอบทันทีเม้เราถือศาสนาพุทธถ้าพุทธนั้นเป็นอย่างไงจะไม่พ้นความติดเขานะจากนั้นอธิบายถ้าพุทธก็คือผู้หิเศษจักจิดยิ่งกว่าโลกทั้งสามโลกทั้งสามเต็มไปด้วยกิเลสอาจจะวะครอบงำจิตใจเป็นหมอยของกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือกิเลส จะม่ให้วิเศษได้ยังไงทั้งสามโลกอยู่ใต้นหน้าท้องกิเลสแต่พระพุทธเจ้าดินเหนึ่งือกิเลสียกย่ำทำนายกิเ ล, แลสแหลกไปหมดเป็นผู้วิเศษความเมตสุดในพระไตรคือความประสบแห่งพุทธผู้เป็นพุทธะด้วยความเมตสุดใจแล้วนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าประกาศธรรม สอนโลกก็ไม่มีใครจะประกาศทำจะประกาศสอนได้ทั่วทั้งสามโลกธาตุนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าใครเป็นพู้ชาเหนือพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้สามารถประกาศธรรมอย่างถูกต้องแน่นยำทุกขั้นแห่งธรรมไปคำว่าธรรมที่ท่านประกาศ สอนลกนั้นเป็นกิจกรรออกมาจากธรรมแท้ที่มีอยู่ในพระธรรมอ่งบริสุทธิ์ล้วนๆในประสรสุดใจเป็นผู้เป็นภาชนะส่งไว้ซึ่งธรรมประเภทนั้นธรรมประเภทนั้นกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นของประเสริฐธรรมประเภทนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยการนี้เพราะมันใช้ด้านวัตถุถ้าหากว่าทํา ในพะไทยของอุปิจักย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นด้านมัตถุเช่นเป็นสินค้าประเภทต่างๆนำออกมาจำหน่ายให้โลกในนำไปช้เหมือนอย่างสินค้าทั้งหลายแล้วสินค้าทั่วโลก นี้จะแตกกระจายล้มละลายแต่ทันทีไม่มีสินค้าใดที่จะนิเสดสักสิทเป็นที่ต้องการต้องเนื้อต้องใจต่อหูต้องตา ย, ยิ่งกว่าสินค้าคือถังสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องล้มละลายในในขณะเดียวไม่ว่าตัดว่าบุคคลจะลังไหล เข้ามาซื้อสินค้าประเภทแห่งธรรมนี้ทั้งหนังให้มีใครสนใจสินค้าทั้งหลายที่เคยสนใจมาก่อนนั่นแหละนี่ความมีคุณค่าความที่ถูกเนื้อต้องใจของลูกค้าทั้งหลายนั้นทำมะเป็นขนาดนั้นหากสามารถผิดให้ออกมาให้เป็นด้านวัตถุได้เหมือนสินค้าตัวตัวปับัน จะผิดออกมาเป็นคณิตใดอันใดก็ตามจะเป็นของประเสริฐทั้งนั้นไม่มีชิ้นใดส่วนใดแห่งสินค้าทำนี้จะไม่เป็นที่ต้องเนื้อต้องใจของประชาชนตลอดทุงสัตว์ทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ต้องใจทั้งนั้นแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่สามารถจะผิดออกมาได้เช่นนั้นมีปรากฏอยู่กับ ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเป็นอาการออกมาเขีนแสดงมาทางเหตุเหตุดีเหตุหตชั่วสอนเรื่องให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญซึ่งเป็นความผิดความถูกและสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนี่เป็นกิจยาแห่งธรรมไม่ใช่ตัวธรรมอย่างแท้จริงแต่ให้ดำเนินตามหลักที่ทรงสอนนี้ซึ่งเป็นเสตนทิศทางเลยเพื่อเข้าสู่ธรรมอันแท้จริง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 สมบัตพระสง์ก็คือผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยความตะเกียบตะกายตามรอยสะบาตของพระพุทธเจ้าโดยทางปฏิปทาจึงสามารถหลุดพ้นสิ่งที่ตำท้าเลียนามทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเหนือจิตใจซึ่งเคยมีอำนาจเหนือน จ, จิตใจบางพักจิตใจนั้นออกไปโดยที่เชิญเสียได้ การเป็นผู้ศักิ์สิิ์พิเศษขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่แปลจากโลคมากอย่างนี้เองโรคไม่มีโลคใดจะเสมอด้วยพุทธธรรมสงนี่ฉะนั้นการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องที่สุดตามตุดที่เป็นของพระศาสสอนพวกนี้ให้เข้าใจกัน แตพูดรู้สึกเช่นคนมากหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วนเราพูดจากนั้นมันไม่อะไรนะเป็นกาเรเล่านิทานแต่การเทศนี่จะพู ด, อ, าาด อ, ออกมาเป็นสดร้อนๆมันเป็นมือกำลังออกมาเป็จากกําลังของจิตกาลังของธรรมเราเป็นนักบวช เป็นผู้มีโอกาสตลอดอียาบทคือทุกๆียาบทที่จะบังเพงจิตใจของเราทำรักสาสามสจิตใจอบรมจิตใจทำรักสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจให้น้อยลงและหมดไปโดยลำรับ เรามีโอกาสมากมีเวลามากนี่จะเรียกว่าเราได้เปรียบชาวบ้านก็ถูกแต่ไม่ได้มีเจตนาจ ะ, าะารัดอเปียบผู้ใดเพราะการปฏิบัติธรรมมันมีการกระทบกระเทือนกันเป็นเจตนาที่ดีสเราเพิงเห็นโอกาสของเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแบบเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งงานของเราก็เป็นงานที่มีคุณค่ามาก ยิ่งกว่างานใดๆในโลกผลที่จะพึงได้รับจากงานที่ทำของเรานี้ก็เป็นผลที่ถพงตั้ถนาอย่างยิ่งหากเราไม่ยินดีในงานนี้คือการบำเพ็งการประพิตปฏิบัติกรรมจัดชีลิตด้วยจิตตภาวนาเขาเรียกว่าเราพลาดจากโอกาส ลืมเนื้อลืนตัวลืมหน้าที่การงานของตัวเห็นงานอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีที่เสียคือว่าจิตนี้มีความรู้สึกหรือมีความนึกคิดดีอินเทียวกันกับปีนปีนเกี่ยวกันกับธรร ทพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นค่าศึกของธรรมความคิดใดที่เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจะเป็นประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะตันหานแน่นอนก็าตามให้พึงทราบว่าความคิดประเภทนั้นเป็นประเภทที่ทําลายศาสนาหรือทํำลายตัวของเราศาสนาคือ ก็เราเป็นผู้รักษาการทำลายก็คือเราเป็นผู้ทำลายผลเกิดขึ้นจากการทำลายก็คือเราเป็นผู้จะได้รับเพราะฉะนั้นจึงต้องสังรวมระหว่างตัอย่างยิ่งฝืนต้องฝืนกันฝืนให้สุดขี่สุดแดงฝืนต่อสู้กับกิเลสเพอได้คล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลสประเภทต่างๆ โดยไม่มีความสํำนึกตัวเลยว่าเป็นกิเลสเป็นข้าศิกแก่ตัวนั้นมาเป็นในลานนั้นเวลานี้เราได้มาศึกษาอบรมธรรมะเป็นเครื่องทีแจงเป็นเครื่องทดสอบยินดันซึ่งกันและกันได้แล้ ว, ว่าธรรมเป็นของกระเสิด์กิเลสเป็นของต่าําข้าหรือต่ำไนว่าจะหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะแสดงกิริยาออกมาทางความคิดความตุ่ม การพูดกางจากการกระทําเป็นสิ่งที่ตําช้าเลยอตามดื่อกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาเป็คือรักษาจิตใจปฏิบัติจิตใจเราจึงต้องมีความเชื่อ ม, มั่วปวดขันต่อการระวังส่วนมากก็คือระวังใจของเราเองมากกว่าจะไประวังภายนอก พอใจเราเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกด้วยอายฉนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายจาัดเยียวโยงกันกันกบอายฉนะภายนอกคือรูปเขียงต่งลดเครื่องสัมผัสแล้วจักปรุงคิดปรุงขึ้นมาในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากเราอยากจะพูดว่าเก้าสก้าเปรเซ็ มันเป็นเรื่องของกิเลสการสังสมกิเลสทั้งนั้นหรือการส่งเสริมกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติจริงๆเป็นตนาดทั้งร้อยเปอเ็นในวันหนึ่งคืนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนเอียาบทนึงเราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราได้ส่งเสริมกิเลสให้มีกําลังทําลายทาที่เราต้องการหรือไม่ทุกทุกขณะแห่งความพิดตุ้งของจิตซึ่งเป็นไปดนน้วยอำนาจของกิเลสประเภ ท, ทต่างๆ โดยอาศัยอัจฉระสัมผัสกันโดยอาศัยธรรมารมณ์ซึ่งได้มาจากการสัมผัสแล้วเป็นอตีตารมณ์เข้ามาสุ่นคิดหรือคิดปรุงต่งางๆอยู่ภายในจิตใจได้แทนที่จะมีความผ่องใสขึ้นก็กลับกลายเป็นความเศราหมองยิ่งขึ้นถาขาดความนามัติระวางโดยสติเพราะฉะนั้นความเพียรใดก็ต า, าม ไม่เหมือนความเพียรที่จะพยายามรักษาจิตและพยายามกาจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีภัยในจิตออกไปและพยายามรักษาไม่จิตเข้าไปออกไปกว้านเอาอารมณ์ต่างๆมีรูปเสียงกิ่นรสเป็นต้นเข้ามาทำลายจิตใจหรือเข้ามาเพิ่มกิเลส มีแล้วให้กำเนิดมิผลงานนี้เป็นงานสําคัญสําหรับนักบวชคับเพราะถึงต้องต่อสู้กันอย่างสุดเล็บสุดเด็กสุดกําลังความสามารถสุดสติตัณย์ที่จะต่อสู้ได้นั่นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต้องการนักปณิธานอย่างแท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องแพ้จิต ไปเรื่อยๆโดยเราเข้าโดยที่เราเข้าใจว่าเราประปากความเพียรเพื่อชำนะที่เลยมันจะสวมรอยกันเข้ามาโดยที่สติปัญญาเรารู้เท่าไม่ทันไม่ถึงการไม่รู้เท่าทั น, นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวการระมัดระวังอยู่กับตัวอย่าระวังอันใดมากที่กว่าระวังความสะเพื่อมของผิ ที่จะคิดปรุงในนี้ต่างๆที่เรียกว่าจิตสแสวงหาอาหารความจริงนั้นจิตสแสวงหายากพิษมาเผาตัวเองในคิดได้ตรุงเรื่องใดด้วยความชอบใจพอใจส่วนมากจิตในพื้นซึ่งเป็นต้นพืช น, นี้มักจะเป็นอยากผิดทางหนังเว้นเสแต่จิตที่มีสติ เท่าที่ควรหรือมีสติค่อนข้างจะสมบูรณ์และมีสติโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะผิดแต่อัดแต่ทำทำละ ส, ะสางหาารุษพลาดปัญญายิ่เรื่อยมาเลยละจิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนี่แต่ขั้นทำลายตัวดรือวยความคิดความตรงุงโดยเจ้าตัวเองก็ไม่สราบ ทำลายอยู่ในทางจงกรมเดินมีตั้งแต่ก้าวขาเดินกลับไปกลับมานั่งก็มีแต่ร่างนั่งเฉยเหมือนหัวต่อแต่จิตลอยอยู่เหมือนบ้าเชื่อขัดอยู่บนอากาศมีล้อยไปตามลูกตามเขียงตามกล่นตามเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆแล้วก็กว้านมาเป็นอติตารมณ์รุ่มคิดอยู่ภายจิตใจเผาลนตอนอยู่ด้วยอิเดียบท่างๆโดยที่ตนเข้า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 นอกจากจะได้รับความสงบจากการภาวนาที่เราบังคับให้จิตสงกด้วยทำบทใดบทหนึ่งแม้จิตจะยังไม่สงบการบริกรรมทำบทใดบทหนึ่งนะั้นก็เป็นทำที่จะทำใจให้สงบงานของใจถ้าเป็นไปด้วยความบริกรรมโดยความมีสติแล้วเป็นงานแท้เป็นงานเพื่อใจความสงบอันเป็นผล คือความุก ข, ขึ้นมาถ้าปราศจากสติแม้บบรบกรังมยูก็ไม่เกิดปละโอะไรเหมือนนอกขุนทองถุกฆ่านไปจุดที่รักษาคือใจอย่าลืมมีใจดวงเดียวเท่านั้นเน่ยกายว่าจะเป็นเครื่องมือจิตเป็นนายกายเป็นบาวน่ะว่ากายว่าจะเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นบาวเป็นเครื่องใายของจ ใดเป็นสำคัญจึงควรได้รับการอบรมศึกษาและการนำมัดกะลังอยู่เสมอเราจะเห็นสิ่งใดว่ามีความยิ่งมีความประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่างานคือการรักษาจัดด้วยสติไม่ให้สิ่งใดมา ก, กระทบกระเทือนอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนหรือพุ่งสร้านหลัานเพิ่มตัวเข้าไป ทกุก็ยอมรับว่าทุกเพราะเราทํงางานเราจะถือความทุกข์ความลาบากในการประกอบการงานที่ชอบนี้มาเป็นตัวใจจากก้าวไปไม่รอดหรือก้าวไม่ออกทุกก็ยอมทุกแม้แต่ตายเรายังจะยอมตายเฮ็ดได้ทุกเราจะยอมทุกเพื่อการงานที่ชอบทำนี้ไม่ได้คืออุบายวิธีการอบตรงหรือสักซ้อมตนเองเต้ตาตับ ระหว่างกิเลสกับทรรภายในตัวเราเองไม่อย่างนั้นแพ้ครับต่อมีการโต้อตอบกันในอุบายวิธีการต่าง ก, การทุกข์อยู่เฉยเฉยมันก็ทุกข์การจังสมกิเลสด้วยกิริยาอาการมันก็ทุกข์แต่เราไม่สนจิตจึงเข้าใจว่ามันไม่ทุกข์ความจริงมันทุกข์ด้วยกันเท่านั้นเมื่อได้เคลื่อนตัวออกไปจากความเป็นปกติแล้วย่อมทุกข์ นี่เราตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคย์เพื่อรักษาจัดเพราะใจไม่มีความปลอดภัยแก่ตัวเองถ้าปราสจากการรักษาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรักษาเพื่อความปลอดภัยของใจกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วฝังอยู่ภายในจิตใจก็พยายามทำละรักษาออก นี่คืองานที่ชอบงานอันแท้จริงของพระคืองานขุดคน้นทำลายกิเลสทุกประเภทที่สังรมอยู่ภายในจิตใจด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืงอสำคัญนี่คืองานที่ชอบแท้ผลที่จะทึงได้รับจากการรักษาจิตด้วยอุบายนั้นนี้อย่างน้อย ก, ก็คือความสงบ เย็นจัดยิ่งกว่านั้นก็สงบละเอียดลงไปแล้วเกิดความแยบคายด้วยสติดยด้วยปัญญาหรือการค้นคิดการพิจารณาจิตจะมีเวลาขยายตัวไปมีโอกาสขยายตัวไปมีช่องทางที่จะขยายตัวออกมาให้เห็นความแปลกปราดและความอัศจรรย์โดยลำหนักเมื่อได้เพิกถอนกิเลสออกไปได้เลยเพราะกิเลสเป็นผู้ปิดบงังเป็นผู้ห่มห่อจิต ด, ดวงประเสริญนั้น ให้เมื่อมิิดปิดตาไปหมดไม่สามารถที่จะมองเห็นของประเสริกที <SM C. S 1> ่มีอยนนพ้ถูกปิดบ <right. S 1> ังอาไว้อย่างมิติแ <Forest>. ห่งกิเลสทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งหมดด้วยความเพียรของเราที่ได้รับการศึกษาลงมาจากํำหรับสางาโคดีจากครูอาจารย์โคดีนำความรู้หรือคติธรรมต่างๆนี้เข้าไป ทำหน้าที่เพื่อผ่าถอนพิเรตประเภทต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจใจจะได้มีความสงบร่มเย็นใจสงบคือใจไม่คิดทุ้มท่านำคาญกับสิ่งที่เป็นปืนเป็นไปทั้งหลายที่เคยเป็นมาเค็ดก็คิดในแง่อันแน่ธรรมแม้จะเป็นความคิดเหมือนกันก็าตามแต่ความหมายขอยงความคิดที่เป็นภัยและเป็นคุณนั้นต่างกัน คิดในเนีย่ยทำย่อมเป็นความล่มเย็นเรียกว่เป็นความคิดที่ถูกก็ความคิดในเนีย้ยผูกมัดในเนีย้ทยทํามราตนเองเป็นความคิดที่ปิดพาการ น, นามัตระหว่างสมงเดินไปไหนก็ดีดูสถานที่ไหนก็ดีอย่างน้อยให้มีสติอยู่กับตัวหรือผู้บริกรรมก็ให้รู้กับคําบริกรรมทั้งตัว เวลาบริกรรมเป็นนานาจิตมีความละเอียดแล้วทําบริกรรมแคบจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏก็ให้เรื่อยรู้อยู่เป็นคําบริกรรมอยู่เช่นนั้นจิตก็ยิ่งจะมีความละเอียดเรื่อยๆไปมีอุบายวิธีการปฏิบัติปฏิบัติกาจัดวิเลศออกจากใจเป็นสิ่งที่ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เคยสังคมอยู่กับจิตใจของเรามาเป็นเนื้อหนัก จนไม่สามารถจะทราบได้ว่าต้นปลายของวัตจักรคือวัตจิตของเรานี้ที่เคยหมุนเวียนมาเพราะอํานาจของกิเลสนี้นานเท่าไหร่ผี่พบผีฆ่าแล้วเราไม่สามารถนับอัดได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาถอนถอนให้ได้อย่างใจหวังในเพียงทิปกับพิปตาเดียวเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หากเป็นไปได้แล้วธรรมะคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะทรงสอนว่าธรรมะกับพิปตาเดียว ไม่จำเป็นต้องมีถึงแปดหมื่นสี่พันรธรรมการ์ซึ่งเป็นอุบายทั้งนั้นเพื่อแก้จิตใจจึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายประเภทอย่างนั้นมีเพียงว่าธรรมะประเภทที่กระพริบตาเดียวยิ่เรียดเป็นเสร็จไปเลยเสร็จไปเลยโลกก็ข้ามพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครเหลือตกค้างอยู่ในโลกนี้หรอกแต่นี้ยิ่เรียดไม่ใช่เป็นของที่จะหักได้ง่าย ดับฟันให้ขาดได้อย่างงา่ายไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เหนียวแน่นเหนียวที่สุดแน่นที่สุดก็คือกิเลสเป็นธรรมชาติที่กลมกจิตใจคนให้เคริบเคลิอมหลงตามได้ที่สุดก็คือกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทอยางประเภทกลาง ประเภทละเอียดของกิเลสหลอกสัดโลกได้อย่างง่ายดายอย่างสบายมากเราจะเห็นได้ชัดเช่นความโลภนี่ก็ยามอยากทราบแล้วว่าความโลภมันไม่เป็นไม่ใช่ของดีเรายังพอใจโลกะคําว่าพอใจโลกก็คือเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสตัวโลกนั่นเองมันตึงพอใจถ้าให้พอใจมันก็ต่อสู้กัน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 จะยอมชนะตนจนขนาดที่หาคุณค่าไม่ได้คนอื่นดูไม่ได้ตนเนี่ก็คันว่าดีขนาดนั่นเลยถ้าไม่เชื่อพิรลศก็ข้อความเชื่อพิริศนั่นเองโกรธขนาดไหนก็พอใจกับมนดูไม่ได้กันก็พอใจหลงก็จะไม่มีวันมีคือมีปีมีเดือนหลงม า, จากจะท้ออะรมัน เป็นเครื่องหลอกได้เทา่าไหร่เชื่อมันได้เทา่าไหร่ยิ่งยิ่งประเภทละเอียดเข้าไปมันก็หลอกสติปัญญาขั้นละเอียดได้อีกเช่นเดียวกันยังขั้นดำๆนี้เราก็เห็นได้ขั้นอย่างชัดๆไม่น่าสงสัยแล้วว่ากิเลสมันแหลงคมขนาดไหนจึงหลอกคนได้ทุกแง่ทุกหมุมไม่มีใครที่จะรู้สึกตัวว่าตัวได้เสียเปรียนกิเลสแล้วนอกจากนักปฏิบัติ ที่ปักสติปัญญาให้เข้าสู่ธรรมคือใจตั้งหลักไว้ขีดใจความคิดตรุงต่างๆจะออกไปในแง่นใดแง่ความโลภหรือความโกรธความหลงหรือแง่ราคะตัณหาหรือแง่ความโกรธความเปรียบประการใดจะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้ก่อนอื่นเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องเทียบเทียงมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบคือสติปัญญา เป็นเครื่องมือด้วยอย่างแล้วเราจะทราบความกับเพื่อมของจิตนี้ว่าออกไปในแนแง่ไดในแง่ผิดหรืเแี่ยถูกทั้างแง่ผิดมันก็รู้ทันทีก็ดับไปพร้อมๆกันนะไม่ไม่มีการลุกลามไปได้ถ้าปติยังมีอยู่แล้วไม่ลุกลามหากข้ามกันได้แม้จะพอใจคิดไปก็ตามทําพื่ให้ฝืนคือพระให้หักข้ามเพราเราเชื่อทําเราก็หักข้ามมันได้จะทุกยากขนาดไหนก็พอใจในธรรม หากห้ามกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วลงได้นะหากไม่เราหากเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดทตอบเป็นเครื่องเกลี้ย ง, งแล้วเราจะเชื่อกิเลสบรงยังคำคืนยังรุ่งตลอดไปทุกภกทุกชาติหาทางพ้นจากกิเลสแต่ไม่ได้การแค่กิเลสจริงไม่ใช่เป็นของแก้ไ ง, ไ ง, ไง่า่ะต้องอาศัยหลักธรรมอุบายสติปัญญา เอาแต่คิดติดกันอยู่ตลอดอิยาบทต่างๆเราอย่าเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูปเสียงกิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมผันธ์มาแล้วตั้งแต่บรรู้จักเดียงสาภาวะมาจนมาัึงบัดนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยควรจะนำสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นด้วยการสัมผัสต่างๆมาทดสอบบวกลบฮูณ ห, หารกันดูกับ การระมัดระวังรักษาจิตใจด้วยความเข้มแข็งโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาอันใดดีทางนดีแต่เราใจของเราสงบจากความฟุง้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารได้ชั่วระยะเวลานั้นเรายังมีรู้สึกมีความสุขมากไม่ใช่น้อยเกิดความตื่นเต้นภายในใจมีความกระยิมนิ่ ม, มยอ่อมขณะที่จิมีความสงบตัวลงไป นี่เพียนนี่แหละเป็นคุณค่าแห่งธรรมที่พอจะฟัดเยี่ยงกันหน้ากับทีเด็ที่เราเคยรู้รสชาติมันมาเป็นเวลานานกลับมารู้รสชาตินความสงบใจเพราะอหน้าจขอการปฏิบัติทั่วขนาดเท่านั้นเพียบเสียงกันเข้าใจกันได้ <c oughs> มันมีอะไรบ้างในโลก น, นี้เราตั้งความหวังเพื่ออะไรถามดี่ปัญหาตั้งปัญหาถามตัวเองถามคนอื่นไม่ได้เรื่องนี่ไม่ดีทะเลาะกันเปล่าตั้งปัญหาถามตัวเองเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ที่ใจดวงเดียวระหว่างชามุทัยกับมัจะโต้วาทีหรือรบกันก็รบ ที่จิตเจตเป็นสนามรบรบ ก, กันที่นี่สู้กันที่นี่หเห็นดำเห็นแดงกันที่นี่เราอย่าหวังเอาชัยชนะอย่าหวังเอาความประเสริฐเลิ่อเลยที่ไหนหน้าไปจากการรู้เหตุรู้ผลของกิเลสขับทำในดวงใจอันเดียวกันนี้โดยทางความเขี่ยนเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะตอบสนองเราให้เป็นที่ขึงัจได้มีเป็นตึกสาคัญ ที่เราจะต้องสนันให้มากผมกับเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเอาลงตรงนี้<ม>ความประเสริญอยู่ตรงนี้ความเป็นฆ่าศึกและเคยเป็นฆ่าศึกก็อยู่ตรงนี้<ม>แก้ก็แก้กันลงที่ตรงนี้ให้ถูกจุดตามหลักปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหลักแห่งความท้นทุกข์<ม>ทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงพระพุทธเจ้าก็เป็นของจริงแต่ทําไมโลกจีงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข์ ก็พอโลกหัวใจมันปล่อยหัวใจถึงโลกต่อยแล้วความกลัวกันนั้นก็เป็นเรื่องของสมุทยัยจะทําให้ผู้ที่กลัวนั้นเกิดทุกข์เป็ น, นันหลักกลัวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากสัตว์โลกก็ไม่ทราบ ว, ว่าสิ่งนั้นเป็นภัยต่อตัวเองอีกจึงทุกข์หลายชั้นหลายเชิงมากมากทุกข์ตามหลักธรมธรมธชาติธรรมธาตุธรรมขันธ์นก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแล้วความกลัวทุกข์จนเสียอกเสียใ จ, ใจวุ่นวายเสมอ แล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจอีกชั้นเลยทุกทั้งทางกายและทุกทั้งทางใจแล้วหาที่โปร่งวางไม่ได้ทั้งทั้งที่ทุกข์ท่านบอกว่าเป็นของจิตเพราะจิตใจมันปลอมมันหาความจริงจากทุกข์ไม่ได้จึงตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างจริงไม่ได้กระทบกันเรื่อยๆมีแต่ความแพ้อยูต่ตลอดเวลาเรา นี่สัจธรรมเนี่ยเป็นแรงแห่งความพ้นทุกข์นี่อยู่ที่สัจธรรมนี้ไม่มีอยู่ในสถานการเวลาใดแต่นี่อยู่ในสัจธรรมทุกขังอริยจจังได้กล่าวแล้วตกิ้นี้คือความทุกข์ทางกายทางใจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากธัมโมไทยธัมโมไทยคืออะไรแดนผิดพกุกหรือธรรมชาติผิดพกุกท่านกล่าวไว้เป็นส่วนส่วนใหญ่ว่า กามตาัตั์รหาภ ว, วตัรหาวิภวตัรหาในธรรมจักรกับโพธสิสุท่านยาาพยายว่าอย่างรความทะยอทะยานอยากมีการความอยากนีอยากเป็นในแง่ต่างๆจนหาประมาณไม่ได้ด น, นี่รื่องพราะตัหาวิภวตัณหานี่ความอยากในของไม่หมี ยาเท่าไรมันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้อีกเพราะมันเป็นของไม่มีเช่นเกิดแล้วจะไม่ให้ตายความแปรสภาพตลอดเวลาก็อยากให้ยืนยองคงถาวรมันจะยืย น, ยนยองคงถาวรได้อย่างไรถ้าทันทั้งหมดนี้เป็นกองอนิจจังทุกข์งน้าตาอยู่แล้วเราจะบังคับให้มันเต็นได้อย่างไ ร, รวิภาวะตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในของไม่มีถึงเวลาจะตายก็ยังไม่อยากตายดิ้นรนกรวนวาย ดินเท่าไหรก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะใจหัว่าใจพาให้ดิน้นก็ยิ่งเป็นทุกข์นี่แหละท่านเรียกว่าสมูทยัยแล้วจะเอาอะไรมาระงับดับปัญนญาน ม, มัสเป็นเครื่องมือดับอาจจะทําทั้งสองประเภทนี้ได้ทุกข์ท่านบอกว่าเพิ่งกําหนดรู้เท่านั้ น, นไม่เป็นสิ่งสาคัญอะไรมากนักเลยแต่การกําจัดนี่เป็นของสำคัญคือกําจัดสมูทยัย ด้วยมากเราเรียนให้ถึงกันพระพุทธเจ้าสอนทำให้ถึงความจริงเราเรียนทำฟังทำปฏิบัติทำต้องทําให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วจะหาความปลอมไปไม่ได้สามมาทิฏฐิสามมาสังกโปกนี่หมายถึงองค์ปัญญาถ้าเป็นดาบก็เป็นดาบอันคมกล้าที่สุดไม่มีอันใดที่จะพ่าดาบนี้จะตัดไม่ขาดกิเลสประเภทใด เป็นขาดท่านไปเลยเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปที่เรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโโบสัมมาวาจาก็กล่าวชอบในเรื่องความภาคียรในสมณวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบก็อย่างที่เราทํากันอยนู่การตักขวัติรารวัดการทำข้อวัดปฏิบัติ การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานานี่คือการงานชอบแต่ขอให้สติกับปิติมาควบคุมนะนะสติกับปัญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบจะทาไปเฉยๆแต่ว่าทำก็ไม่ชอบเหมือนกันทำด้วยโมหะเพราะฉนั้นสติจึงเป็นของสำคัญสัมมากัมันตะสัมมาอาชีวะอาอย่างหยาบๆก็บินขมากมาเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นงานที่ชอบทําของนักบุตเป็นเโรโียลปโปโปชลังมีซ่าและประจัดปะเตยยาวชลังมาฮู้ปะรันมีอยู่มันมาชาวทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายไอเจ้บินทธบมาทําด้วยกําลังตีแข้งของตนเถิดนี้เป็นงานที่ชอบทําที่สุดกับเพศแห่งความเป็นทักบุตรและทําความมุสาพยานนี้ตลอดชีวิตอย่าขี้เกียจนะผุ่นยิางา่อย่างภาษาเราก็เรียกว่า ถ้ไม่ขี้เกียจกินอยากขี้เกียจบินเท่าบาทมาถันนะว่าขี้เกียจบินเทาบาทแต่แกลขยันกินนีมันเข้ากันไม่ได้พูดในภาษาของเร า, าว่สาสัมมาอิโวขั้นสัมมาอิโวอีกขั้นหนึ่งก็คือเลี้ยงดูแลเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตให้ชอบทำเอานํำทำเข้ามาหลเลี้ยงจิอตออนํำสตินําปัญญาศรัทธาความเพียรเข้ามาหล่อเลี้ยงจิต อย่าให้จิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาอย่านำยาพิษเข้ามาทาลายจิตใจเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบทำชีวะความเป็นอยู่จิตพาให้เป็นอยู่เลี้ยงอาหารคือทำโดยชอบทำเพื่อจิตจะได้มีความรื่องหนึงบังเกิดขึ้เราะเก่าขึ้นมาเพราะแต่อาหารเป็นที่ถูกตัทธาตงตรงตนเองคือมโนธา แยกแยกเป็นอย่างนี้ดิสัมมาวายโมท่านบอกว่าเพียรในที่สีสถานเนี่ยจะเข้าใจาอยู่แล้วเพียรละบา ท, ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นยังต่างสมกุศลเกิความเฉลาึ้นหนึ่งไม่เกิดขึ้นทาง จ, จิตใจเอากันจะย่อยอย่างนี้เนีะเพียรอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าเพียรชอบปิจนาน กาารรมฐานคือยสาลงมานะคะทันตาตะดจบดูให้ตลอดทั่วถึงเพียร อ, อยู่ทัวตรงนี้หนังทัดกําหมดทะลกุออกมาโดยข้างนอกมีแต่ผิวบางๆตื่นกันที่ผิวนี้เข้าข้างในเยิ้มไปด้วยปูโผล่หิตน้ําเน่าน้ำหนอ ง, นนองยิ่งเต็มเป็นของปฏิปุลไปหมดหน้าเกลียดหน้า ก, กลัวคือปาา่าคือปากท้าผีดิบมันอยู่ในตัวของเราแต่เราปลดอ น, น, นี่แหละความเปลียนชอบดูให้เห็นเหตุเห็นผล ในความจริงแบบนี้ทําไมจึงเสร็จสันตันรอกันว่าดีนักดีหนาะเหมือนจะเหาะบินไปได้ทั้งที่มันมีปิดเทจสันจะไปหาประเด็น์อันะไรมันขัดต่อความจริงดูให้มันเห็นตามความจริงของมันสถานที่เกิดที่อยู่เป็น ย, ยังไงจริแบบนี้หร่อมันเกิดมาจากที่โกกะตกโสมมงทั้งนั้นแล้วเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยความโกกะตกโสมมงหาความสอาที่ตรงไหนหนึ่งในร่างกายพิจารณาอย่างนี้สิเรีย <c> ก <oughs> ว่าสัมมาวายาุขสัมมาสติก็ตั้งสติ ไว้ในสติปัญฐานสีเนีนะ้ในการพิจารณาเนี่ยตั้งสติไว้ชอบพิจารณาไปตรงไหนในอาการสามสิบสองอาการใดก็ตามหรือทั้งหมดทุกอาการก็ตามให้มีสติเป็นผู้ควบคุมงานไปทั้งหมดสัมเดียกสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเราได้พิจารณาชอบตามธรรมแล้วความสงบก็สงบโดยธรรมสมัมมาสมาธิไม่ได้หลงโลกหลงสงคามไปไหนพอสงบแล้วบอกเฮินเดินป้าไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นโน่นไปเห็นนีนน้ทั้งทั้งที่ อจิต ใ, ใจยังไม่ถึงไหนเลยมันขายก่อนซื้อแล้วว่างมันเห็นนโกสวรรค์มพภายในจิตใจมีสะกอบนั่นไม่เป็นปัญหาอะไรสงบอยู่ภายในใจเพราะใจเป็นผู้ฟุ้งสร้างใจเป็นผู้ก่อทุกข์ใจเป็นผู้กอ่กอความรุ่นร้าให้แก่ตัวเองให้สงบลงด้วยธรรมด้วยการภาวนามัในอจิตสมบลงแล้วด้วยวิธีนี้ไม่ทรง ถ้าใช้ออาไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นการยุ่ยแย่กว่าควรตนเองนั่นเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ละมากทั้งแปดนี่ครับทั้งสรุปสรุปเข้ามาได้เรี่ยสี่นิสมาธีปัญญาเนี่ยลงอยู่ที่นี่นี่คือเครื่องแก้ที่เละเป็นถัตธรรมคือความจริงประเภทหนึ่งนี่โรจน์แล้วก็มีปัญหาอะไรมากนะขอให้เราดำเนินเรื่องมรรคปฏิปทา นี่ให้พอตัวเถอะนี่โรดคือความดับทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับการรับทานอาหารการรับทานอาหารก็เหมือนกับการบงเข็ญมากรับทานไปรับทานไปความอิ่มหนำท่านานก็ป่ากดขึ้นโดยลำ ด, ดับไอความหิวหัวก็ดับลงไปดับลงไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมันเอง <c oughs> เราไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างนี่โรดขึ้นมาให้สร้างมากมให้พอตัวนี่โรดเพิ่งทําให้แจ้งเพิ่งทำให้แจ้งด้วยอะไรถ้าไม่เพิงทําให้แจ้งด้วยมากคือศีลสมาธิปัญญา <c oughs> หรือ ดมรดกนี้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะทําให้ด้วให้แจ้งได้เพียงจะไปสร้างด้วยให้แจ้งวันยังค่ำก็าต า, ายทิ้งประปล่าพื้นยังรุ่งตาทิ้งเปล่าที่เปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สร้างมรดกให้มีกําลังอบรมมรดกให้มีกาลังมรดกนี่เป็นของสําคัญแชมูไทยเป็นของสําคัญเพียงไรมรดกมีความสําคัญเท่านั้นเนี่ยเราจะทําทักษินี้มีสําคัญอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องได้ตังนาต่างๆทําจริงๆก็คือแชมูไทยกับมรดก ส่วนทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกมุทัเป็นทุกข์ทางใจส่วนทุกข์ทางกายนั้นพระพุทธเจ้าสาวก็มีเพราะท่านไม่ใช่คนตายยอมมีความทุกข์แต่ท่า น, นทุกเหล่านี้ไม่สามาร ถ, ถารกระตุ้บเถือนพะติตของท่านได้ใยของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันกรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้ น, น ค, คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อฆ่าที่เดว ถ้าดำเนินอยู่เช่นนี้เราดูที่ไหนก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นกิเลสหมอบราบให้เราดูสักทีส่วนมากมัแต่เราหมองราบกับกิเลสเดินจะคมก็ยังหมอบราบกับกิเกกลสนั่งสมาธิก็หมอบราบกับกิเลสทพราความถถาเถลอสติเป็นของทั้งสองอาการแห่งความเพียดที่แสดงทุกท่ามิจะท่าหมอบกราบกิเลสทางนั้นเพราะความเถลอ สติความใจลอยความไม่ตั้งอยู่ในหลักทำแห่งการธรรมะกิเลสแห่งการแก้กิเลสแห่งการปราบกิเลสกิเลสยิ่งมีอำนาจกดคอลงได้ทุกอาการของความเพียรให้พึงเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาสอดแทรกให้รู้เรื่องของกิเลสแล้วจะไม่รู้กิเลสมันสวมลอยตลอดยังไตลอด เอเรียนให้จบศาสนาธรรมศาสนาธรรมมีอยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นเรียนจบที่นี่แล้วไม่ต้องหาเรื่องว่าไปเสดนิพพานไม่ต้องไปหาหาทําไมนิพพานคืออะไรนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั้นคืออะไรอกิเลสก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่เราให้ชื่อว่ากิเลสนั้นมันคืออะไรมันก็อยู่ที่หัวใจเรามีด้วยกันทั้งสองอย่างคือกิเลสก็อยู่ที่ใจนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วเท่านั้น ซาอุปเทศที่เสยจากนิพพานก็ได้นิพพานแล้วตั้งทั้งที่ภาตุขันธ์หนึ่งคลองตัวอยู่ <c oughs> เอาแค่นี้ไปก่อนถ้ญญาบรรยายสบายช่วน